ฝรั่งชาวอเมริกันผู้หนึ่งนะเธอเป็นคนสนใจพุทธศาสนาแล้วคราวนึงก็มีคนชวนไปทำบุญที่วัดป่าในภาคอีสานเป็นวัดป่าที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติพอมาถึงแต่เช้านะก็เห็นพระฉันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เมื่อกลับไปกรุงเทพเธอก็ไปเล่าให้เพื่อนๆ น, นังคนไทย แล้วก็ฝรั่งฟังว่าพระวัดนี้ไม่ค่อยสามัคคีกันเลยก็ก็ถามว่าทําไมถึงรู้ว่าไม่สามัคคีกันเธอก็ตอบว่าเวลาพระฉันนี่ไม่คุยกันเลยต่างคนต่างก็ฉันฉันได้บาสนะพระชาวอเมริกันคนจั่นไม่เข้าใจนะว่าประเพณีวัดป่านี่นะเวลาฉันนี่ก็ฉันได้ความสงบนะฉันยังมีสติมันไม่เหมือนกับที่ เธอคุ้นเคยนะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยก็ถือเป็นเวลาของการสังสรรค์ไปด้วยนะก็พูดคุยกันกินไปคุยไปยบางทีก็ปรึกษาหาหรือเรื่องงานออกรองเรื่องธุรกิจก็กลางวงอาหารนี่แหละที่พระในวัดป่าวันนั้นแล้วก็หลายวัดรวมทั้งวัดนี้ด้วยเนี่ยเวลาฉันไม่ได้พูดคุยกันก็เพราะว่าต้องการเจริญสตินะแล้วก็ไม่ใช่พระอย่างเดียวนะ คารวะญาติโยมชาววัดที่ชันอาหารนะก็ควรจะใช้โอกาสนี้กินอาหารอย่างมีสติไปด้วยนะก็คือว่าเวลากินไม่ใช่ปากเคี้ยวเท่านั้นแต่ว่าใจก็รับรู้นะว่าปากกำลังเคี้ยวการเจริญสติคือการที่ใจเนี่ยนะรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่ทำนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทำอะไรใจก็รับรู้ หรือว่าใจก็รู้สึกนะเช่นเวลาเรายกมือสร้างจังหวะนะอันนี้เป็นไม่ใช่แค่กายที่เคลื่อนไหวนะแต่ว่าใจก็รับรู้รู้สึกว่ามือกลาลังเคลื่อนไหวเวลาเดินก็ไม่ใช่เท้าที่เดินเท่านั้นแต่ใจก็รับรู้ว่ามีการเดินด้วยคือรู้สึกนะขณะที่ก้าวเดินเวลาชันหรือเวลาการกินอาหารก็เหมือนกันนะเราก็เจริญสติไปสังเกตไหมเวลาเรากินอาหารเนี่ยใจเราลอยไปโน่นไปนี่ เราไม่ได้กินแค่อาหารไม่ได้กินแค่ผักนะแต่ว่าใจก็กินความคิดเสพอารมณ์ต่างๆมากมายนะบางทีก็ไปเสพอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธทำให้กินไม่ลงนะคนที่นะทะเลาะนะกับเพื่อนหรือว่าทะเลาะกับแฟนนะกินข้าวไม่ลงก็เยอะนะเพราะว่าใจเนี่ยนะมันไปเสพอารมณนะ์อารมณ์เศร้าอารมณ์แค้นนะก็เลยทำให้ นะกินไม่ลงบางคนก็เครียดกับการคิดเรื่องงานการนะนนี้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเลยนะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจระว่างที่เรากินอาหารเราก็วางความคิดต่างๆลงนะให้ใจรับรู้อยู่กับการกินอาหารนะความคิดมันพาใจเรากระเจกิกระเจิงไปไหนก็รู้ทันแล้วก็ดึงใจกลับมา มันไม่ใช่แค่มีมความคิดนะมันมีความรู้สึกเช่นความชอบความไม่ชอบความอร่อยความไม่อร่อยก็รู้นะนะเวลากินได้กินอาหารที่ชอบนะใจมันก็ฟูนะรู้สึกดื่มดำ่ำนะกำซาบไปกับรสชาติของอาหารนะจนลืมตัวก็มีนะพอลืมตัวแล้วก็เลยเคี้ยวใหญ่กินใหญ่กินใหญ่หลายคนไม่ได้กินนะเพราะว่าร่างกายต้องการแต่กินตามใจปากนะก็เลย กินเกินความต้องการก็มีก็กลายเป็นหากลายเป็นปัญหาว่ากินมากไปจนร่างกายนะอ้วนทวนอย่างพระเจ้าประ เ, ระเนสนิี่ก่อสนนี่ไม่มีสติในการกินนะก็ทําให้ร่างกายนีย่อ้วนทวนนะเวลาเดินก็ติดขัดเวลานั่งก็ไม่สะดวกพระพุทเจ้าก็เลยแนะนําว่าเนี่ยก็พูดเป็นคาถาว่านะผู้มีสตินะรู้ประมาณในการบริโภคย่อมมีเวทนาน้อย แล้วก็อายุยืนคาถาสั้นๆอย่างเนี้ยพระเจาประสิทธิโกศนชอบมากแต่กลัวจําไม่ได้หรือว่ากลัวว่ากลัวจะเพลินกับการกินก็เลยให้มาเล็กท่องเอาไว้และเวลาพระเจ้าประเสิทธิโกศ ส, สวยแพ้กระยาหารก็ให้มาเล็กท่องคํานี้แหละว่าเนี่ยผู้มีสติทุกเมื่อรู้ประมาณในการบริโภคเนะีเวทนาย่อมเบาบางนะเวทนาคือความอึดอัดความนัน่นนะ่ยมันก็เบาบางแล้วก็อายุยืน ก็ทำให้พระเจ้าะเสนีกโกสลก็กินอาหารนะรู้จักบัญญับัญญังมึงไม่นานนะร่างกายก็กลับมามีสุขภาพดีก็เลยชื่นชมพระเจ้าว่าเนี่ยโพรงสอนทั้ง เรื่องที่เป็นประโยชน์ทางโลกและประโยชน์ทางธรรมนะให้เราสังเกตดูนะเวลาเรากินเนี่ยเรากินด้วยความรู้สึกตัวหรือเปล่านะหรือว่าใจเราลอยลอยไปในความคิดหรือว่าหลงเข้าไปในอารมณนะ์อาหารที่ไม่ชอบก็พอกินเข้าไปก็หงุดหงิดนะเท่าที่อาหารก็อร่อยนะแต่ว่าพอหงุดหงิดแล้วมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาให้เรารู้ทันนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเวลาตักเวลาไปตักอาหารต้องเข้าคิวนะแถวมันยาวบางทีก็หงุดหงิด นะบ่นเพื่อนว่าเดินช้าตักช้าเนี่ยก็รู้ทันนะเวลาได้อาหารที่ชอบเห็นมันแค่เห็นเนี่ยด้วยสายตานี่ก็ใจก็ฟูลแล้วนะก็รู้ทันมันแล้วชีสมันคือเวลามากินอาหารนะก็ให้มีสติอยู่กับการกินนะใจรับรู้การกินชอบก็รู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบนะอร่อยก็รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยก็รู้ว่าไม่อร่อยนะก็เคยมีการทดลองนะให อาสาสมัครจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็น1ิบคนเลยมากินเรียกว่าซุปมะเขือเทศซุปมะเขือเทศมันสีแดงๆแล้วมันข้นๆนะใส่ในชามใบใหญ่เลยทุกคนนี่ไม่รู้เลยนะว่าไอ้ก้นก้นชามเนี่ยมันมีท่อที่ต่อเติมซุปมะเขือเทศเติมเทลนิตเทลนิตเติมไปเรื่อยๆ คนกินก็ไม่รู้นะกินไปกินไปมันไม่หมดสักทีมันไม่พร่องสักทีก็ไม่เอดใจไม่มีใครสักคนเอกใจเลยว่ากินมานานแล้วมันไม่พร่องหรือว่ามันพร่องนิดเดียวเองมันไม่หมดสักทีเขาก็ถามคนทุกคนนะว่าสังเกตไหมว่ามันพร่องนิดเดียวมีใครเอกใจว่าทำไมกินแล้วไม่หมดสักทีก็ไม่มีใครเอกใจถามว่าทำไมไม่เอกใจก็เพราะตอนนั้นเนี่ยตอนที่กินนี่ใจลอยใจลอยคิดโน่นคิดนี่นะ ก็เลยไม่สังเกตว่ามันไม่ค่อยพร่องหรือไม่เอจใจว่าทำไมมันไม่หมดสักทีนะอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะว่ามันพอใจลอยแล้วเนี่ยการกินก็เหมือนกินแบบไม่รู้สึกตัวคนเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะแต่ในเมื่อมาวัดแล้วนะก็ควรทำอะไรให้มันใหม่กว่าเดิมบ้างนะหรือว่าดีกว่าเดิมนะก็ลองเจริญสติอยู่กับการใช้การกินอาหารนี่แหละ การกินอาหารที่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะก็คือแค่มีสติกับการกินเท่านั้นแหละและพอเรากินอย่างมีสตินะกายก็ได้อาหารนะใจก็ได้อาหารด้วยอาหารกา ย, กายกคือข้าวคือผักอาหารใจคือสตินะคือความสงบนะและอาหารกายเนี่ยถ้ามีสติกำกับแล้วนะมันก็ไม่เกินไม่ล้นนะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ได้กินเพราะว่ามันอร่อยเท่านั้นแต่ว่ากินเพราะว่า มันมีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรที่อร่อยก็จริงแต่เป็นโทษต่อร่างกายนะหรือไม่มีประโยชน์ก็ไม่กินนะก็รู้จักเลือกเฟ้นในการกินนะรู้ทั้งประมาณหรือคันหรือจำนวนในการบริโภคว่าไม่มากเกินไปนะแล้วขณะเดียวกันก็กินในสิ่งที่มีคุณภาพทั้งปริมาณและคุณภาพมันก็พอดีนะถ้าเรามีสติแล้วก็อันนั้นเป็นประโยชน์ทางกายนะแต่ทางใจนี้ก็ ยิ่งช่วยทำให้เรามีสติรู้จักจับยั้งชั่งใจในเวลาทำงานในการดำเนินชีวิตด้วยแล้วก็เตรียมรับพอรอ